ทำกันสอนให้รู้สอนให้ทำนะถ้าสอนให้รู้เนี่ก็ไม่ยากทำมีอุปการะมากสองอย่างหนึ่งสติความระลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้ตัวเม่ก็บอกแล้วก็จำได้รูจ้จำสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนั่นก็เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนไม่ค่อยทัวตอนสิ่งนั้นเป็นทุกข์สอนให้รู้แต่ว่าความทุกข์มันยังมีความหลงยังมีความโกรธมันยังมีถ้าสอนให้ทมก็ต้องมีการปฏิบัติต้องประกอบต้องสัมผัส เราสอนให้ลูกพอจะได้เข้าโค้งว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นที่เกิดเป็นพุทธศาสนาก็เริ่มต้นจากการเจริญสติพอเจริญสติก็เกิดทำขึ้นมาเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาคือศินคือสมาธิคือปัญญาแต่เป็นไตรสิกขาเราก็เข้าถึงธรรมวินัย แามว่าวีไนน์นั่นน่ะเป็นตัวศาสนาเราก็รู้คำสอนทั้งหมดรวมลงอยู่ที่เว้นความชั่วทำความดีทําจิตให้บริสุทธิ์ปฏิบัติปฏิโมกข์ธรรมะกํา ม, มือเดียวใบไม้ทางปากับใบไม้กํา ม, มือเดียวพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบนี่เราก็รู้กัน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 เราก็ต้องสร้างขึ้นมาเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเขตสติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นคําพูดไม่ใช่คิดดุนคิดเตาไม่ใช่หัวสมองไอเดียไอคิวดีไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยไม่เกี่ยวกับประทินิสัยเป็นการกระทำเกิดจากการกระทําของเราโวยแท้ เช่นการปฏิบัติธรรมตา ม, า ม, ามการจเจริญสติตามหลักของสติปัฏฐานหลักของสติปัฏฐานก็คือมีสติเห็นกายเอากายก่อนให้ปลึกสติไปในกายก่อนให้มันเห็นตัวสติจริงๆมันจะเห็นไม่ใช่ไปจาไม่ใช่คิดเอาเหตุเอาผลนะ ตัวสติจริงเก่งมันเป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเห็นมือราวางอยู่บนเขานะมือมันก็มีอยู่จริงวางไว้เข่ามันก็วางอยู่จริงสัมผัสได้รู้สึกระลึกได้ไม่ใช่รู้สึกมันมีทั้งรู้สึกทั้งระลึกได้เนี่จึงจะเป็นสติปัฏฐานแต่แขงมือขึ้นกับรู้วัตถุที่แต่แคงก็คือมือ ยกขึ้นก็รู้วัตถุที่ยกก็เป็นกิริยาที่ยกก็เป็นมือเป็นกายเรื่องของกายมันอาจจะไม่ต้องพูดลงมือกายานุปัสสนามนสติดูกายเห็นกายเห็นกายในกายเห็นกายในกายกายที่เป็นรูปเป็นดุ่นกายที่เป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์กายในกาย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 ตรงลู่ตัวลู่ตัวลู่ตัวเนี่ยมันลู่เป็นคลั้งเป็นครั้ ง, ง, ง, งวินาทีหนึ่งลู่ครั้งหนึ่งวินาทีหนึ่งลู่ครั้งหนึ่งแล้วรูปแบบของการเจริญสติที่บนพบหลุษของเราเลยค้นคว้ามานานแล้วก็มาเป็นรูปแบบของการสร้างจังหวะ การสร้างจังหวะนี่เรียกว่ากายบัพเพะในบาลีในพระ ส, สูตรกายบัพเพะสัมปัญญะบัพเพะกายบัพเพะมันก็เคลื่อนไหวจริงๆสัมชัญญะบัพเพะมันก็เคลื่อนไหวสัมชัญญะบัพเพะมันไม่ใช่รูปมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความระลึกได้มันมันมันทำให้แจ้งเช่นมือวางบนเข่าก็รู้ว่ามืออยู่บนเขา่า พอจะยกมือขึ้นพริกมือขึ้นก็ลู่ขณะที่ยกก็ลู่อยู่มันสองลู่ลู่แบบไม่มีคําถามลู่แบบมีแต่คําตอบตัวเราต่อบตัเอกเรียกว่าสติสัมปชัญญะลู่อย่างนี้จึงจะเป็นวิชากรรมฐานแล้วก็ลู่ต่อกันเป็นยาวๆเหมือนโซ่ที่เจ้ามันก็ใช่ได้แต่สู้มันสั้นๆมันใช่ไม่ได้ ไม่ใช่เหมือนเหล็กเส้นเหล็กเส้นมันลอบตัวมันไม่ง่ายมันแข็งทื่อให้มันเหมือนโซ่มันโลอกแล้วตีเป็นรูปลอกมาทางไหนก็รู้ได้เพราะมันลออยู่เพราะว่ารูปลู่ไม่ใช่ไปรูปแบบต่อกันมันรู้เป็นข้างเป็นข้างรูปเป็นหนึ่งรู้เป็นหนึ่งรู้เป็นหนึ่งสิบสี่จังหวะนี่พอดีกับรูปเป็นข้าง ลูลอบๆอยู่ลบูบตึงโลบสองลอบตึงสิบสี่ลูลบสองกับสิบสี่ลูบหลายลูบเข้าไปถ้ามันลูบเข้าไปมากๆก็พอดีพอดีกับจังหวะที่เราสร้างวินาทีหนึ่งอาจจะลูบทีหนึ่งชาไปกว่านั่นก็ไม่มากไวไปกว่านั่นก็ไม่มากไม่มีวิธีใดที่จะชัดเจนเหมือนวิธีการจเจริญสติแบบการ กายบัปพระาการเคลื่อนไหวตามที่ทดลองมาไม่ใช่จะเปตตะปะแล้วมาพบกับกรรมฐ า, านแบบนี้ไม่ใช่เพิกมาหลายแบบเพิกมาได้หลายแบบแต่มันไม่โลบมันไปทางเดียวเหมือนแสงไฟฉายไม่เหมือนแสงนีออนไม่เหมือนแสงพระอาทิตย์แสงจันทดวงอาทิตย์ดวงจัน์มันน่าโลบมันลู่โลบ พอมันลู่จริงๆมือมันก็ลู่กายเคลื่อนไหวมันมันคิดมันก็ยังลู่ได้อันที่เราไม่ได้ตั้งใจเราตั้งใจสร้างสติการเคลื่อนไหวแต่เวลาใดที่มันคิดขึ้นมามันก็ลู่ได้ก็ปล่อยมันเถอะให้มันคิดแต่ว่าเราก็ลู่เวลาที่มันคิดเรากลับมากลับมาตั้งไว้กลับมาตั้งไว้ที่กายแล้วกลับเนี่ยการกลับมาเนี่ยจะเป็นศิลปะจะเก่งตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่กลับเนี่ยไม่เก่งนะ จะเป็นเป็นการปฏิบัติที่อนุบาลอยู่ถ้าไม่รู้จะกลับมันไปทางไหนก็ไปกับมันมันคิดก็ไปจาความคิดมันหลงก็ไปกับความหลงมันสุขก็ไปจาความสุขมันทุกข์ก็ไปตามความทุกข์มันหลงก็ไปตามความหลงอันนั้นเลยว่าไม่กลับก็จะกลับมาเขาไปกินหมดเลยมันก็ยอดอ่อนของต้นไม้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 เห็นหลายลสเห็นหลายชาติมันแสดงออกมาทางกายทางจิตแสดงออกมาบางอย่างก็ เ, เกิดลดชาติต่างๆกันไปบางทีกความไม่เที่ยงก็มีบางทีความเป็นทุกข์ก็มีบางทีความไม่ใช่ตัวตนบางทีมันเกิดเป็นเวทนาเป็นสุ ข, เ ป, เ, สขเป็นทุกข์บางทีมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ทางจิตมันพัดออกไปก็รู้แล้วก็กลับมา มันไม่ฐานกรรมาฐานกรรมาฐานมันไม่ฐานมันไม่เทตั้งมันตั้งอยู่พอมันหลุดออกไปก็กลับมาได้ไม่ต้องไปขอร้องใครไม่ต้องไปเรียกใครมาช่วยเหลือกรรมาฐานเป็นส่วนตัวส่วนตัวนี่ไม่มีอะไรที่จะทําได้วิชาไหนไหนไม่ไม่เหมือนวิชากรรมาฐานวิชากรรมาฐานเป็นวิชาที่ปฏิบัติได้ทําได้ทุกคน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 หมือนเราไปคิดการเรียนการศึกษาอดีตต้องไปจับปากกาจับกระดาษมาขีดนมาเขียนแบง่งวักแบ่งตอนได้ข้อมูลได้ผลสรุปยังทําได้อันนี้ไม่ถึงแบบนั้นไม่มีวัตถุสิ่งของออื่นมาช่วยเป็นแต่เพียงมีสติแล้วก็กลับมากลับมาบมาตั้งไว้มาตั้งไว้ไวยิ้มรับมือได้เลยการปฏิบัติธรรม ันก็เห็นกายเห็นอย่างเดียวอยู่ น, น, นานๆเราก็รู้แจ้งเรื่องกายสติก็ชำเนี้ยชำนานธรรมดาการเห็นอยู่สิ่งเดียวนานๆมันก็ต้องมีความอะไรมีความชำเนี้ชํานานมีปัญญามีอะไรเกิดขึ้นมารู้แจ้งเรื่อง น, นั่นเรื่องนั่นขึ้นมามันเรามาอยู่วัดป่าสกุโตมาจากบริรัม มาอยู่วันเดียวคืนเดียวสองคืนยังไม่รู้หรอกมาอยู่ร้อยวันร้อยวันเออเห็นรถเห็นชาติเห็นบรรยากาศเห็นสิ่งแวดลอ้อมอันนี้มันเห็นไม่มีคำถามมันพบเห็นแล้วการมาพบเห็นกายเนี่็ไม่มีคำถาม ม, ม, ถา ม, ม, มีคำตอบกายเสกากายไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขา ตอบได้ทันทีเลยผวงพังไปเลยไปเลยไม่มีอะไรไม่หลงในเรื่องของกายแต่ก่อนหลงเรื่องของกายนี่มากเรื่องเรื่องของกายอย่างเดียวอามาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความหลงเป็นความโกรธเป็นวิตกกังวลเ้ามองเป็นความรักความชังเป็นอะไรปัญหากระทบกระเทือนไปทั้งสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นคู่อื่ น, น, น, นไปหลงเรื่องกาย <c oughs> ตอนี้ไม่หลงแล้ว ชาตินี้ตัวกายนี่ไม่ลงเลยนะล่ะรูดครั้งเดียวจบไปตลอดชาติเรื่องของกายเนี่ยไม่เอามาเป็นสุขไม่มาเป็นทุกข์วิชากรรมฐานมันเป็นการรูแกแจ้งมันเป็นการเหลยชากรรมฐานนะีอ่ามันก็ล่วงข้ามได้เรื่องของกาย แต่ก่อนเราข้ามไม่เป็นเรื่องของกายไปชนเหมือนชนหน้าผามันไม่รู้จะข้ามไป ต, ต้องติดเหมือนด่านที่มันกักเรามันไปไม่ได้เพื่อถูกกักเข้าไปไม่ได้ต้องยอมจำนุนจนเขาปล่อยเวลาใดค่อยหลุดออกมาหายใจได้บ้างนี่ปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้นะ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 เราไม่ได้กบเกลื่อนนั่งสร้างจังหวะอยู่เดินจงกรมอยู่รีบทต่างๆไม่กบเกลื่อนเวทนามันก็ออกมาโชว์ให้เราเห็นแต่ก่อนเรากบเกลื่อนเดินเดินนั่งนอนขู่เหยียดเคลื่อนไว้กินขับถ่ายหนาหอมผ้าปวดขาปวดแขนไปตามอาการของมันยอมรับมันหมดไม่ไม่ดูไม่เห็นไม่เจอหน้ากัน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 ไฟแดงบางจุดมันก็บอกว่านี่คือเบรกไฟแดงบางจุดมันก็บอกว่านี่คือน้ำมันไฟแดงบางจุดมันก็บอกว่านี่คือความร้อนน้ำมันหมดอะไรต่างๆมันบอกนะมันโชว์จิตของเราก็เหมือนกันมันม่อยู่จิตเนี่ยเราเคยเป็นสุขเป็นทุกข์ระิตถ้าเป็นจิตแล้วมีอำนาจจิตมันคือคิดนะการเคลื่อนไหวของจิตคือมันคิด นี่ทุกคนก็ต้องเห็นมันจิตนั่งอยู่สุขโตมันปุ๊ดไปโน้นบุรีรัมย์กรุงเทพเชัยภูมิคอนแจน่นโคราชแป๊บไปแล้วอาคนลักคนชังหาความพอใจชอบใช้อดีตสิปียี่สิบปีมันไหลไปมันกลับไปไปข้างหน้าคืนข้างหลังนี่คือจิตเห็นไหมเหมือนตัวเป็นตนจริงไหมลักษณะนั้น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 เราเคยเป็นทุกข์กับความไม่ใช่ตัวตนบัดนี้มันเป็นปัญญาเสียแล้วเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนชั่วเป็นดีเปลี่ยนล้เป็นรู้เปลี่ยนอะไรที่มันเคยทุกข์เคยทุกข์เป็นปัญญาชีวิตของเราแต่มันเปลี่ยนอย่างนี้มันก็พ้นภาวะเก่าเคยสุขกดความคิดเคยทุกข์กับความคิดความคิดจัดสรรชีวิตเราไป ส่งเราไปเหมือนบางตะเลที่มันมีมือมีแรงมีดินขับให้มันขึ้นไปอ่าโดยส่วนมามันก็ไม่จริงมันขับให้เราหัวเราะร้องไห้ขับให้เราเป็นสุขกันทุกข์ก็หลงไปตามอาการของมันแั่ น, นี่เราขับเรามีสติเรามีสมัชัญญะเห็นมัน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 ตัวขยันแบบนี้เขาเรียกว่าสังขารตัวแบบนี้เขาเรียกว่าสมุทยัยตัวเหตุที่จะจัดชีวิตให้เราหลุดไปทางไหนก็ได้นีอำนาจสั่งการสั่งงานให้เราได้ตามมันไปแบบนะ่ะพอลงมาดูก็เห็นดูคิดนี่ก็สบปีคิดนะอ่ามันก็ไม่มีอะไรเหมือนเมือนกันตอบกันเดียวกันสติจะเป็นคําตอบอันเดีย ว, ออยวไม่ใช่ตอบคนละอย่าง เห็นความไม่เที่ยงก็รู้แล้วเห็นความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วเห็นจิเลตันหาเห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นหิวเห็นร้อนเห็นหนาวรู้แล้วตอบคนเดียวเลยไม่ใช่เป็นชอบไม่ใช่เป็นไม่ชอบบอบตอบคนเดียวรู้แล้วรู้แล้วนี่ยคือกรรมฐานตัวเลยต่ว่ารู้แล้วไม่เอใจนะ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 คำที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจเห็นความง่วงเหงาเหานอนความเครียดมีเหมือนกันนะเวลาเราปฏิบัติความง่วงเหงาานอนความเครียดความอ่อนแอความเบื่อหน่ายห่ายแพ้ค็ดว่าการปฏิบัติเนี่ยโอ้ยยากนอนดีกว่าง่วงเหงาเหานอนอมันมันเครียดขึ้นมามันเบื่อขึ้นมามันไม่ชอบขึ้นมา เปรียบเทียบขึ้นมาความ ง, งุกงงเหงาหงอนพุงซ่าดนี่เคเรียกว่าธรรมมันเกิดครอบงำทั้งกายทั้งใจมันมีเราก็เห็นเหมือนนี่ก็เหมือนกันนันเป็นอาการถ้าเห็นเข้าไปอย่างจริงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยถ้าจะตอบให่ง่ายก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับจิต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 พอเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนในชีวิตของเราทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยหลายอย่างเป็นกี่เลยตระหนักละคะความรักความชังความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเราส่วนตัวส่วนตัวก็ไม่ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นจากคนอื่นที่เกี่ยวกับเราก็ไม่บางทีเราเป็นทุกข์เพาะความไม่เที่ยงของคนอื่นเป็นทุกข์เพราะเพื่อนพราะมิตรเป็นทุกข์พราบุตรพันยาสามี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 บางทีก็เป็นทุกข์สุกซนเกินไปเป็นทุกข์พราร้อนพอเพราะหนาวเป็นทุกข์พรฝนตกเป็นทุกข์พรแดดออกอมันซุกซนไปแต่เพื่อต่เพือในความทุกข์ในความไม่เที่ยงทั้งทั้งที่เราจัดสัตวแม่ได้เราก็ยังไปทุกข์อยู่ไปหลงอยู่แต่นี่มันก็สลุไม่เราความไม่เที่ยงเวลาอย่ากในตัวเราก็มีเป็นวัตถุเสียงของก็มีเป็นผู้เป็นคนที่อยู่ใกล้คิดที่เราเกี่ยวข้อง นะสิ่งนั้นมันไม่จริงจังกับเราเราก็เป็นทุกข์ทัองท่งที่มันก็ห่างเราไปตั้งหลายหลายโยอดแต่ในเราเนี่ก็ยังเป็นทุกข์ก็ยังพอไหวก็ยังพอไหวแต่ทุกข์ที่มันไม่ใช่อยู่กับเราเอามาเข้ามาอีกแล้วอ่าพอเห็นอย่างนี้แล้วโอ้โเบา บ า, บาเบอกอันว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตวนนี่ครบผุงโจรในตัวนอกตัวเฉลยด้ดยหมดล่วงพ้นไปได้น่ะปฏิบัติธรรมก็จิต ก, ก็ไม่พุงไม่แตง่งแลยบ้านะมีแต่เห็นเนเห็นจิต ก, ก็มันก็สงบเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญ า, นาเนี่ยบนเป็นใสศกขาสรุปทะลุงย่อยเป็นความชำเนิ่ยจำนนเหมือนเราเรียน <c oughs> วิชาการต่างๆชําชนาญไว้ในวิชาการสาขาใดๆแล้วก็ชนานาญในสาขาดาน้นดนั้นการมาชํานาญในชีวิตจิตใจของเรานี่เรียกว่าปริญญาได้เหมือนกันกําหนดรู้ด้ว ย, ก, ยการรู้กําหนดรู้ด้วยการแจกแกงกําหนดด้วยการละง่ายที่สุดเรื่องเนี่ยอหลุดออกไปง่ายๆเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเพราะ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 เออเกิดฉินเกิดสมาที่เกิดปัญญาขึ้นมานั่นก็เป็นไตสิกขาไตสิกขาก็คือเธอลงเขาย่อยออกมีแต่เนื้อเท่านั้นมีแต่ชีวิตรุนล้วนชีวิตธรรมชาติชีวิตธรรมดาก็เกิดธรรมวินัยขึ้นมาธรรมวินัยก็คือศาสนาเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอ น, นะุนถามพระพุทธเจ้าทูนถามพระพุทธเจ้าในช่วง ปาิีนิาพานนสูตรเมื่อพระองค์ปาิีนิาพานไปแล้วจะให้ใคยเป็นศาสตราแทนพระองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระธรรมวินัยเป็นศาสตราแทนของศาสดราฐานโลต ถ, ถานกฎเป็นศาสตราเป็นตัวศาสนาธรรมวินัยก็เกิดขึ้นในกายในใจเหล่านี้อยู่ในกรอบอยู่ในเขตตัวเฉลย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 บางทีอจจะทำดีได้ยากทำช่วยได้ง่ายโดยสัําไปผู้ไม่มีค่อยมีสติแต่ผู้มีสตินี่ง่ายเหมือนเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยเราของหนักทำไมเบาของยากทำไมง่ายขึ้นมาได้เพราะนั่นเราจึงมาเริ่มต้นในวิชากรรมฐานวิชานี้เป็นวิชาส่วนตัวใครก็ช่วยเราไม่ได้เราเห็นความหลงด้วยเราเองเราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ด้วยตัวเราเอง เราเห็นทุกข์เห็นโกรธเห็นโลภเห็นหลงเราก็เปลี่ยนได้เองหัดเปลี่ยนหัดมีความเพียรตรงนี้อย่าเกลียดข้านตรงนี้เมื่อมันหลงขยันรู้ไว้เมื่อมันทุกข์ขยันรู้เมื่อมันโกรธขยันรู้เพียรจุดถูกที่ถูกทางการเพียรถูกที่ถูกทางการขยันถูกที่ถูกทางมันหลุดได้ไม่ใช่ขยันอันที่ไม่ใช่เวลามันง่วงขยันรู้เวลามันทุกข์ขยันรู้ แล้วมันหลงขยันลูกให้ดูว่าเพียนเพียนอย่างนี้แล้วล่วงทุกข์พ้นทุกข์ได้วิริเยนะทุกขมะจิตจิคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพี้ยน่ะขยันลูกขยันลูกไว้เนี่ยเอาไปซะก่อนบุกวยก่อนบุกวยก่อนนี่สอนให้ปฏิบัติทั้งสอนให้ลูกสอนให้ลูกเนี่ยสอนง่ายสอนให้เป็นเนี่ยเราต้องทําเอาเอง ทำเป็นไหมเวลามันหลงเปลี่ยนตัวหลงเป็นต um ัวรู้ได้ไหมทําเป็นไหมความหลงหมดไปจริงไหมเวลามันโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธทาเป็นไหมทําได้ไหมเวลามันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ทำได้ไหมเวลามันง่วงเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้จึกตัวเป็นความรู้สึกตัวได้ไหมทําเป็นไหมทําให้มันเป็นปฏิบัติทำไม่ใช่รู้ความรู้มันของปลอมเนาะทําเป็นเนี่ยเห็นเนี่ยมันจริงต้องพ่เห็นด้วย สติปัญญาของเราเหมือนกันหมดทุกคนการศึกษามารวมอยู่ตรงนี้ทุกคนศึกษาตรงนี้สัจธรรมต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอันเดียวกันนะไม่ใช่คนโอ้ยหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อก็ลูกได้พ่อผมเป็นครับว่าญาติย่อมลูกไม่ได้มีลูกไม่ห ล, ลานโอ้ยไม่ใช่อย่าไปพูดแบบนั้นไม่ใช่ครับความรู้สึกตัวไม่เกี่ยวกับลูกกับหลานไม่เกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายไม่เกี่ยวกับ นักบวชคารวะญาติโยมเป็นการ ก, กระทํากำจําแนกสัตว์คือการกรรมฐานนี่แล้วนะหลวงพ่อก็พูดให้ฟังแต่๋ถ้าพูดให้แล้วเราเอาไปทํำรู้เรื่องถ้าพูดแล้วไม่ไปทํามันไม่ค่อยรู้หรอกเราได้ทําในสิ่งที่เราได้ยินเราได้ยินในสิ่งที่เราได้ทําเป็นส่วนประกอบที่ดีที่สุด